ปักกะปฏิชันะปริวาาว่าด้วยปริว่าสําหรับอาบัตที่ปิดไว้หนึ่งปักสมัยนั้นท่านพระอุทายีต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิ ปิดไว้หนึ่งปักกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงให้ปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายี